นมตนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลาย <Okay. S 1> ขอขอบคุณที่คณะติดกรรมฐานและท่านสาธุชนทุกๆ ท, ท, ท่าน <Okay. S 1> ได้มีกุศลเจตนาร่วมกันจัดรวบรวมเจตุปัจจัยในรูปของการทอดประปาสามาัคคีเพื <Okay. S 1> ใช้ปัจจัยส่วนนี้ในการก่อสร้าง กุติที่วัดพระมหาธาตุอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้กุติว่ากุติไรรัตนานุภาพเพื่อมีความรู้สึกร่วมกันว่าผลทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นสืบเนื่องมาจากอนุภาพป ร, รัตนานไรแม้แต่การที่อาตมามีอายุยืดมาจนถึงหกสิปีซึ่งก็ไม่นึกว่าจะอยู่ถึง ก็ได้ทำงานเป็นประโยชน์มากบ้างน้อยบ้างตางมกำลังความสามารถก็สืบเนื่องมาจากพระราชันกกรตรใจโดยความรู้สึกจริงๆเอามาคือคิดว่าตัวเองตายก็ควรจะตายไปเลยก็คนระลึกถึงน่าจะลึกถึงอยู่ที่พระราชันกกต์ใจรพราะอนจึงจึงไม่มีอะไรไว้เพื่อตัวเองนะตั้งกองทุนก็เป็นกองทุนพระรัตนาไตร ก็มีชื่ออยู่แห่งเดียวที่หนังสือที่เขียนแต่นั้นเองเพราะว่ามันต้องรับผิดชอบในเอกสารที่เราเขียนนอกจากนั้นจะใช้ไตรรัตนานุภาพเป็นหลักก็ได้สร้างห้องสมุดไว้สองแห่งในวิทยาลัยครูในตีนนครก็ชื่อว่าห้องสมุดตรรัตนานุภาพแล้วก็สร้างที่โรงเรียนมัธยมมีแห่งหนึ่งก็ชื่อว่าไตรรัตนานุภาพ ก่อนหน้านี้ก็ไปสร้างห้องเรียนให้โรงเรียนเทียตมาเคยเรียนทำไมเป็นเด็กก็แต่รัตนาโนภาพแล้วก็ทําสนามโรงเรียนแห่งหนึ่งก็แต่รัตนานุภาพเหมือนกันคืออยากจะให้ชื่อของพระรัตนาัยปรากฏอยู่ในที่ต่างๆและคนก็ได้น้อมรำลึกถึงคุณของพระรัตนายัย เพราะว่าถ้าเรามีจุดยึดเดียวอยู่ที่ป ร, รัชนาไตรได้เนี่ยการศึกษาก็ดีการปฏิบัติก็ดีจิตใจก็ดีก็จะมั่นคงอยู่ที่คุณป ร, รัชนาไตราาการที่ท่านทั้งหลายซึ่งพรุ่งนี้ก็เข้าใจว่าพวกลูกศิษย์ที่ตรีวิทยาเป็นโรงเรียนที่เมาสอนมาตั้งแต่ 2,511 ู่ถึงปัจจุบันก็มีลูกศิษย์เป็นหมื่นๆ น, นะฮะขาวว่าเขาจะหามาช่วยเพ่กันก็ปล่อยลูกศิษย์ก็แสดงฤทธิ์กันดูก่อนนะฮะถ้าขาดเหลือเท่าไหร่กคค็ค่อยหาเองอีกเที่องกุฏิที่สร้างขึ้นนั้นเป็นกุฏิที่แนวอนเนกประสงค์ คือจะมีชั้นข้างล่างเป็นสำนัก ง, งานเป็นที่ทำงานพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ก็งานเอกสารนะงานเอกสารงานธุรการก็จะอยู่ชั้นล่างลึกลงไปใต้ดินประมาณเมตรครึ่งแล้วชั้นที่สองเป็นที่รับแขกของท่านเจ้าคณะเจ้าคณะจังหวัดเจ้าวาด ถึงท่านเป็นอาจารย์ก็ม า, ตมาแต่เป็นอาจารย์ที่ค่อนข้างพิเศษคือยายก็ม า, มาเกิดมาเกิดแม่มาไม่กี่วันก็ตายแตสมัยโบราณนะฮะไม่มีนมจะกินก็แม่ของท่านเดียวคุณเนี่ยเอาไปให้กินนมร่วมกวับท่านเจียวคุณเพราะแม่ก็มากับท่านก็คล้ายๆกันร่วมนมกันนะนะท่านก็มักเล่าเมื่อวันซื้อเนี่ยมาก็ไป บรรยายถวายความรู้แก่พระที่นคะรก็แวะไปกราบท่านคือมีญาติโยมมานั่งอยู่สามสีคนท่านก็เล่าตรงนีให้ฟังทั้งเล่าไปบ่อยเพราะก็เป็นการสร้างถวายให้ท่านอยู่ด้วยแต่ชั้นที่สามเนี่ยจึงหมายความมนับจับได้ดินมานะเป็นวัดหลวงชั้นเอกศักของวัดเท่ากับวัดประวัน เป็นชั้นวัดหลวงชั้นเดชชัดชั้นราชวรมาหาวิหารแต่ว่าที่พักเนี่ยเวลาพระผู้ใหญ่ไปเนี่ยต้องหาที่วัดอื่นให้พักมันไม่มีที่พักมเราก็ทํำข้องไว้สำหรับพระผู้ใหญ่ที่ไปเนี่ยสามารถพักได้ถึงสามสี่ลูกอาคารก็ยาว ยาว16เมตรนะฮะกว้าง9เมตรถ้าทำไปทำมาก็คงจะจะจะถึง3ล้านกว่าเลยทั้งไปแต่ก็เป็นอนุสรก็คือที่จริงเอ่อมาไม่ได้บอกญาติโยมคือเป็นเป็นคนมีปัญหาอย่างหนึ่งคือพูดเรื่องเงินไม่ค่อยกล้าพูดพูดเรื่องอื่นนิเทศเมือไใดประเทศได้นะฮะเชศ้อหวานกี่ครั้งก็ได้แต่ว่าพูดเรื่องเงินมันพูดไม่ออก ก็เตรียมจะทําเป็นหนังสือบอกกล่าวตั้งนานหลายเดือนเนี่ยนะก็ทํามาไม่ได้สักทีก็ทํามาหน่อยเนี่ยมันอา จ, จะเป็นความรู้สึกลึกๆตั้งแต่ปีที่บวชคือว่าัดจะมาบวชแล้วก็บวชจะได้15วันนะเราต้องย้ายมาอยู่อีกวัดเนี่เพราะว่าสมผ่านวัดนันตายเราก็ต้องมาทาําหน้าที่คล้ายๆกับเป็นสมผ่านทั้งที่ตัวเองบวชมาแค่15วันแค่นั้นเอง เป็นว่าจะอยู่ริมถนนมันมีไอ้พานบาดไราวางเปื้อนไปหมดเลยเวลาเราเทศทุกวันมาเทศทุกวันตั้งแต่บวชพัรษาแรกมานะฮะกดเทศนี่เรียกว่าตั้งแต่บวชมานี่หลายหมื่นครั้งนะเป็นงานที่ทํามากที่สุดก็คือเรื่องเทศเรื่องพูดในขณะที่เราเทศนี่เสียงก้องแกงก้องแกงก้องแกงก้องแกงเรียรานะฮะดีกาก็ว่น ก็ดูคล้ายๆกันหน้าห้องเนี่ยนะฮะอเมริกาเงี้ยร่นหรื อ, รอทำให้เราอึดอัดทําให้เราอึดอัดคล้ายๆกับเราไปขุดรีดชาวบ้านนั่นนังๆๆๆๆ่งกองแก๊งกองแกงกองแกงด้วยความรู้สึกลึกๆมันมันค่อนข้างจะต่อต้านอยู่ในการดริลุงดิรายอะไรมากๆเลยนะครับตอนนั้นหลายจึงเห็นว่ามาไม่ค่อยทําในเรื่องดิรายเงินชาวบ้าน แล้แม้แต่กองทุนไรรัตนานุภาพเองก็เกิดขึ้นมาจากความคิดญาติโยมได้เคยถวายเงินวันเกิดให้อัตมาในหลายปีมาแล้วนะฮะปีนั้นก็ได้สักสี่หมื่นกว่าบาทก็ตกใจไม่เคยได้เงินมากอย่างนั้นเวล้จะเอาไปทำอะไรดีในปีแรกก็เอาไปซื้อหินอ่อนหินอ่อนเชียมนะฮะปูพื้นโบสถ์ที่วัดทึ่เคยอยู่อปีที่สอง เราไปจ้างคนผมดินที่วัดซึ่งเคยบวชกอเห็นโยมถวายทุกปีเลยก็คิดเรื่องกองทุนในรัตนานุภาพขึ้นกองทุนใรรัตนานุภาพมันก็เกิดขึ้นมาจากอย่างหนึ่งเนี่ยเคยเตรียมเงินเอาไว้เพื่อจะไปศึกษาต่อธรรมยาโทที่อินเดียแต่พอดีก็มีเจ้าภาพเงินยอด น, นี้เราก็ไม่ได้จ่ายเลยก็ตั้งขึ้นมาเป็นกองทุน เราลงว่าแต่ละปีหลังจากปีนั้นเป็นต้นมาเดือนเมษาทั้งเดือนไม่ว่าใครจะถวายอะไรก็ตามนะฮะจะกลายเป็นกองทุนแต่ก็ไม่ได้บอกญาติโยมอะไรก็ถือว่าเป็นเดือนที่เราเกิดมาสู่โลกนี้นะเพราะงั้นมีญาติโยมอะไรถวายเรา ก, เราก็เราก็เข้าไปในกองทุนแต่เวลาพิมพ์หนังสือ ถึงแม้จะใช้ชื่อกองทุนบางทีเป็นเงินที่เขาถวายส่วนตัว เ, เทศบ้างอะไรบ้างคนถวายแต่ก็ไม่ได้ใช้ชื่อตัวเองนะฮะเลจะบอกบอกในานามกองทุนแล้วก็เงินที่ญาติโยมบูชากันเทศวันอิตคือมีการเก็บเก็บไว้เพื่อใช้ในการเผยแพร่ธรรมะเรา ต, ต้องการให้มันเป็นประโยชน์อะไรมากยิ่งขึ้นเมื่อช้านี่โยมก็ไปกันที่กุฏิ ก็รู้สึกว่าถวายกันหลายสตางก็อ้าหกหมื่นเหมือนกันธรรมชาติที่เปตินี่นาาๆๆๆนนก็ทำให้เงินมันก็เพิ่มขึ้นนะฮะค่ากุติทั้งนั้นนะ่ก็มาประรบถึงชีวิตว่าก็ไม่เคยคิดน ะ, ะว่าจะอายุมาอยู่ได้ถึงหกสิบแต่ว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยมันก็คิดถึงมรณสติมันมาเรื่อยมันก็แปลกดีอะไรก็นึกถึงตายอยู่เรื่อย ก็ทำเห็นว่าทำไมคนเราจึงต้องจึงต้องทำชั่วเพื่อสิ่งที่เราเอาไปไม่ได้ในขณะเดียวกันตัวความชั่วนั้นเป็นสิ่งที่ติดใจเราแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นจากการทำชั่วก็เป็นสมบัติติดโลกแต่ก็ให้คนอื่นรับบาปต่อไปก็ทำเห็นว่าหลักของอนัสติเนี่ย เป็นอารมณ์กรรมาฐานในพวกอนุสติ10และเป็นหลักอย่างหนึ่งที่เคยตั้งข้อสังเกตได้ท่านทั้งหลายได้คิดว่าสังคมพุทธเราเป็นสังคมที่เราสัมผัสศาสนาค่อนข้างฉาบสวยนะฮะว่ากันตามความจริงค่อนข้างฉาบสวยมากเราไม่ค่อยศึกษาธรรมะศึกษาแล้วก็ไม่ค่อยปฏิบัติไม่ปฏิบัติแล้วก็ไม่ค่อยจริงจัง และโดยเฉพาะ ค, ความมีธรรมะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากมันเป็นเครื่องมือยืนยันพิสูจน์ทดสอบถึงการศึกษาการปฏิบัติคือเรามีธรรมะแล้วก็ใช้ธรรมะได้ในโอกาสนั้นๆัน้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมมันสะท้อนให้เห็นว่าธรรมะที่เราคิดว่ามีเนี่ยมีไม่พอใช้ปัญหาต่างๆจึงเกิดขึ้น ทำให้เราเห็นความฮารุโหดรุนแรงของสังคมเพราะไม่น่าเชื่อทำไมจะต้องต้องทำบาปทำกรรมอย่างนี้เมื่อสองสามปีที่แล้วเคยเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังไปได้ยินมาแล้วก็ชอบนะฮะชอบหลวงพ่อหลวงพ่อรูปนี้เป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากในการในการบวชแล้วก็อยู่ตลอดมาก่ อ, อนจะมา นั่ก็เป็นผู้เท่านะฮะแต่ท่านแต่ท่านท่านเมตตามากะะบางทีท่านไปนั่งเทศเอามานั่งฟังอยู่ด้วย mm hmm. เฮ้ยเมื่ อ, อยแล้วโยมเดี๋ยวคุณระบายขึ้นมาเทศหน่อยลงลงธรรมาลงดื้อๆเนี่ยฮะเลี้ยให้มาขึ้นมาเทศต่อซึ่งท่านชายอยู่คนเดียวนี่ถ้าเห็นถ้าเห็นหน้าแล้วบางทีท่านนั่งเทศเทศสามสีบางทีท่านลงลเลยนะอาขึ้นมาเทศน เป็นการให้เกียรติมากายกย่องมากเป็นพระเทระที่เคารพรับถือท่านมากแต่นานๆเจอกันนะฮะนานๆเจอกันเพราะท่านอยู่ที่สีชนก่อนท่านตายเนี่ยอายุสักเก้าสก่อนจะดับเนี่ยท่านสั่งไว้สองประโยคเกิดทีตายทีอย่างนี้ทุกคนทำบุญทำกุศลไปสวรรค์นิพพาน เกิดทีตายทีอย่างนี้ทุกคนทําบาปอกุศลตกนรกเวจี้นท่านก็ตายนั่นแสดงให้เห็นถึงการเข้าถึงคติชีวิตที่เตือนให้คนมองชีวิตกับความตายเนี่ยมันเป็นความจริงสองด้านระหว่างการหายใจกับหยุดหายใจระหว่างหน้ามือกับหลังมือระหว่างหัวกับก้อยมันเป็นความจริงที่อยู่บนเหรียญเหดียวเดียวกัน อีกด้านหนึ่งก็คือตายอีกด้านหนึ่งก็คือเกิดเพราะระหว่างความเกิดกับความตายท่านเห็นว่าหานิมิตอะไรไม่ได้หาเครื่องกําหนดหมายไม่ได้เร่นี้ข่าวท่านอดีตประธานาธิบดีริชาร์นิกสันอยู่ดีๆนะฮะช็อกเพลิดเดียวนะฮะโคม่าลึกแล้วตอนนี้ก็คงจะไปได้ยากนั้นแสดงให้เห็นชีวิตที่ทรงสอนว่าไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายไม่มีการกําหนดว่า ชีวิตเราจะอยู่ตลอดไปแม้แต่ว่าเกิดมาไม่ใช่ตื่นมาตื่นนอนมาแต่ละวันพจากเช้าถึงค่ำในเราอยู่ได้ตลอดหรือไม่ก็มีการพูดเป็นลักษณะกระตุ้นเตือนบรรณกรโยมคุณหญิงละมุนไรกราบทูลสมเด็จว่าเวลาท่านตาย ก็ขอมอบถวายจตุปัจจัยให้สมเด็จดำเนินการสมเด็จเราไม่รู้ใครจะตายก่อนสิอันนี้คือคือคือคือพูดจริงๆว่าตัวตัวนี้เราไม่รู้แล้วก็เป็นการเตือนว่าไม่แน่ว่าคนหนุ่มจะตายก่อนคนแก่หรือคนแต่จะตายก่อนคนหนุ่มเพราะว่าชีวิตมันไม่มีอะไรกําหนดหมายนะแล้วถ้าเรามองเห็นว่าจากตายเนี่ยก็ไปสู่การเกิดต่อ อย่าทำให้มองเห็นว่าปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตจริงๆ จ, งจึงไม่ได้อยู่ที่ตัวชีวิตแต่ว่าอยู่ที่คุณภาพของชีวิตหมายความชีวิตที่มีคุณภาพเรามาสู่โลกนี้ด้วยบุญบ้างบาปบ้า ง, งนะเพราะว่าสังสารวัฏมันมีทั้งบุญทั้งบาปแต่เวลาพระเจ้าทรงใช้ทรงใช้คำว่าอวิชชา คือแสดงว่าอะไรก็ตามมันยังอยู่ในภายใต้ครอบงำของอวิชาาจะบุญมากบุญน้อยบาปมากบาปน้อยแต่สรุปว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์จะต้องมีบุญพอสมควรแม้จะไม่มากนะฮะแต่ก็เป็นโอกาสที่เราจะเสริมสร้างบุญขึ้นมาได้ก็ททำให้เราเห็นวิถีชีวิตของคนประเภทมืดมาแล้วสว่างไป แสดงว่าที่จริงบุญส่งมาเกิดเป็นมนุษย์ก็นิดเดียวแต่ว่าท่านก็สร้างบุญในปัจจุบันเพราะว่าโอกาสในปัจจุบันเราก็มีมากกว่าสมควรที่จะที่จะเพิ่มบุญขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากมืดมาแล้วก็สว่างไปมีความเจริญรุ่งเรืองได้หรือว่าเป็นนักกรารราชบัณฑิตเป็นพระยาบุคคลได้ซึงบางทีเริ่มมาใกล้จะเป็นศูนย์ได้ช้ำไปแต่เราก็ไปได้ แต่ตอนี้ทั้นั้นจะต้องมองเชื่อมมองเชื่อมต่อระหว่างบุญบาปที่นําเราไปสู่สังสารวัฏที่ทรงสรณบุญเป็นที่พึ่งของศัตว์ทั้งหลายผู้บาเพ็ญบุญทั้งในโลกนี้และในโลกอื่นแต่ในแง่การหล่อเลี้ยงที่ยิงบาปก็เป็นปฏิสราโนนะฮะคือว่าเป็นที่พึ่งอาศัยของเราเหมือนกันในอาศัยบาปตราบใดที่มีบาปอยู่ก็ต้องรับผลบาปหล่อนั้น แต่ว่าท่านเน้นที่การทำบุญถ้าเรามองว่าชีวิตตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดโดยเงื่อนไขของบุญบาปที่เปลี่ยนแปลงภบชาติของเราเงื่อนไขบุญบาปนั้นก็เปลี่ยนแปลงแม้ไหนแต่ละขณะจิตแล้วก็ในเป็นนาทีเป็นหลายหลายนาทีเป็นชั่วโมงเป็นหลายๆชั่วโมงก็เกิดขึ้นจากความคิดที่เรียกว่าเป็นบุ ญ, เ ป, บญเป็นบาปของเราจะทาให้นึกถึงมณสติ วันหลักอย่างหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนิพนไว้ในโมกขุปลายขาถาโมกขุ ก, ก็คือโมขะนะฮะเหมือนกับสวนโมก่ะหมายความอุบายวิธีที่ทำตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ว่ามาเยอะนะฮะแล้วก็มาชุดหนึ่งเนี่ยเป็นการแสดงถึงธรรมะสี่ข้อพวกอารมณ์กรรมฐานสี่ข้อ หมายความว่าด้วยความเป็นชาวพุทธของเราถ้าเรามีธรรมะตรงนี้ได้สี่ข้อเป็นฐานใจเป็นหลักใจด้วยความเป็นชาวพุทธมันจะโดดเด่นแล้วก็สัมแดงคุณของพระพุทธคุณออกมาภายในใจได้คือหนึ่งพุทธานุติใ้ตั้งใ จ, จเจริญพระพุทธคุณระนึกถึงคุณของพระเจ้าตรงไหนไม่รู้ไม่เข้าใจ แต่ตัดสินใจไม่ได้ก็เอาแหละพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรเราเอาอย่า ง, งนะั้นเป็นทางให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็เมตตาสร้างความรู้สึกมุ่งดีปรารถนาดีต่อคนอื่นคือเราเห็นว่าเราอยู่ในโลกเนี่ยการปฏิบัติสํารวมระวังนั้นคือเราไม่ประทุษร้ายคนอื่นแต่ว่าคนอื่นประทุษร้ายเรานี่ไม่แน่ อย่างที่พรเจ้ารับสั่งว่าตถาคตไม่ทะเลาะกับโลกแต่ว่าโลกทะเลาะกับตถาคตคือไม่รู elastic, ้จะทำยังไงเหมือนกันถ้าเขาอยากจะทะเลาะแต่เราทํายังไงเราไม่ทะเลาะกับเขาก็พอแล้วเพราะถ้าเขาก็ทะเลาะกับเราเขาก็ทําบาปเราทะเลาะกับเขาเราก็ทําบาปเมื่อเขาทะเลาะเราเราไม่ทะเลาะกับเขาก็ทําบาปของเขาคนเดียวบาปติดเขาติดใจเขาไม่จะติดใจเราแต่ทํายังไงใจจะมั่นคงเข้มแข็งได้ก็ต้องเจริญเมตตา แลยายผลคือความรู้สึกเมตตาออกไปและต่อไปก็คืออสุภะถึงท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเป็นปัญหาสังคมปัจจุบันอาจยกรรมทางเพศมีความรุนแรงหรือโหดมากขึ้นทุกวันเราอาจจะพูดเราเลิกท่าตั้งแต่สมัยรัชการที่5ที่จริงปัจจุบันมีท่าที่ยิ่งกว่าสมัยรัชการที่5 นั่นคือความเลวร้ายของสังคมที่เกิดขึ้นจากคนที่ไม่กลัวบาปบุญขุนโทษแล้วก็ไหลไปตามกระแสะของโลภะกระแสะของรักครัเจ้า ก, ก็สอนให้พิจารณาในเรื่องอสุภสัญญาคือมองเห็นความไม่สวยไม่งามความน่าเกลียดปฏิกูลก้อนสิ่งทั้งๆอย่างน้อยก็ถ่ายถอนใจนะฮะถ่ายถอนใจอย่าให้ตกเป็นท่ามากเกินไป และมรณสติคือตั้งสติเราลึกถึงความตายอย่างที่เคยเล่าเรื่องเปรษการทิดาวัตถุคือลูกสาวในช่างหูคนหนึ่งที่ท่านจเจริญมรณสติเนี่ยตัวทำให้เป็นคนตื่นตัวจะเินกรรมฐานข้อเดียวนะฮะสามปีเนี่ยถ้าใม้มีสติสัมปชัญญะแล้วก็ไม่ประมาทในการดำเริชีวิต ท่านไม่รู้ว่าก่อดเนี่ยท่านจะมาจากไหนแต่แสดงว่าความเชื่อถึงการบุนบนในทั้งสามแบบแล้วก็ไม่รู้ว่าตายแล้วจะไปไหนก็หมายความว่าก็รู้ว่าจับใดที่ยังมีกิเลสอยู่มันก็ต้องเกิดอยูแต่รู้ว่าท่านตายแนย่ถึงว่าจะตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนตายโดยวิธีใดนั้นไม่มีนิมิตไม่มีการกําหนดตายพระเจ้าก็ไม่สอนให้ทําในเรื่องที่เราทําไม่ได้คือตายเมื่อไรเราก็รู้ไม่ได้มันช่างมันนะ่ะตายเมื่อไร่ก็ตาย ก็คือตายนะฮะแต่ว่าทํำยังไงว่าในขณะอยู่เนี่ยเราลิขิตได้เราเห็นว่าพระพุทธเจ้าที่เราพูดว่าไปดีนะสุกโตเสด็จไปดีแล้วเนี่ยที่จริงเสด็จมาดีแล้วเสด็จอยู่ดีแล้วเสด็จอยู่ก็เสด็จมาเสด็จอยู่ทําให้เสด็จไปดีเสด็จไปดีมันเป็นผลจากการมาดีการอยู่การทําดีทําให้เกิดการอยู่ดีแล้วก็เวลาจากไปก็จากไปดี เป็นหลักในการศึกษาในการพินิษพิจารณาถึงกติธรรมดาของชีวิตนอกจากจะสอนโดยปริยายนี้คือโดยนัยนี้นะฮะท่านจะเห็นว่าในแนวพินหษปัจเวกขณะที่สอนเราพิจารณาไปก่อนก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วเรามองย้อนเลยไปว่าแนวตรงนี้ทงสอนอยังไงในเทวทูตสูตร ซึ่งเคยเล่าเรื่องเทวทูตห้านะฮะตอนนี้ก็มีเทวทูตสามอีกสุดใน่รดิกนนาณีบาทเทวทูตก็คือผู้สื่อสารผู้สื่อข่าวสารที่ประเสริฐคล้ายๆกับพระตาราจานท่านบอกว่าเหมือนกับเทวดาบาบอกอะไรมนุษย์เชื่อเทวดามนุษย์เชื่อเทวดานะฮะเทวดาว่าอย่างนั้นก็เชื่อชี้ผิดชีถูกให้ก็เชื่อเทวดาเพราะในสัจจะของชีวิตเนี่ยมันเหมือนกับเทวทูต คือเทวดามาบอกความจริงให้ถ้าเราปฏิเสธเราไม่ยอมรับความจริงเหล่านั้นจะทำให้เราประมาทปล่อยการเวลาปล่อยชีวิตได้ผ่านพ้นไปซึ่งบางครั้งดูแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะอายุมากๆแล้วยังยังแรงได้เกินยัยงคี้เด็ดแรงจังนะยังโกรธยังเกลียดยังริษยายัางอาฆาตพยาบาทนะฮะบาทีนั่งรถเข็นแล้วยังทะเลาะ ก, กันอู่นน่ากลัวนะฮะ น่ากลัวว่าเอ๊ะบาปไม่เยอะเหรอถ้าอย่างนั้นบาปไม่เยอะเหรอแล้วตอนตายเราจะทำอะไรเพราะว่าอะไรก็ตามถ้าเรามองให้เห็นว่าสมบัติโลกนั้นเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยของชีวิตแต่ความตายนั้นเป็นสภาวะธรรมคือติดอยู่กับชีวิตพระเจ้าทรงใช้คำว่ความนะฮะไม่ใช้คำว่าคนนะฮะใช้คำว่าความแก่ความเจ็บความตาย แั่กำบมกความมันเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกับสรรพสิ่งที่ได้อะไรก็ตามนะฮะมีชีวิตรหรือไม่มีชีวิตในโลกมันก็เกิดขึ้นมาแล้วก็สู่ต้องไหลเข้าสู่ความแตกต่าระธรรมเทศนาในเทวทูตสูตรได้รับสั่งเล่า ว, ว่าเวลาคนตายนั้นจะถูกนำไปหยุดสู่สำนักของพญายก สำหรับคนที่มัวมอประมาทประพฤติจริตทางกายทางวาจาทางใจที่ท่านว่าตะ ก, กี้นะฮะกายกรรมสามจีกรรมสี่มโนกรรม 3. สามบางทีก็คิดเป็นหวยเมื่อวานซื้อเนีที่ที่ไปพูดเรื่องกุติกันนะฮะท่านอาจารย์ท่านท่านคิดอีกคําหนึ่งคล้ายๆกับเป็นสัญลักษณ์ท่านคิดว่าหกแปดสี่โยมตีเป็นหวยเลยนะและท่านต้องอธิบายผมไม่ใช่หวยนะเนี่ย คำมอกหกนั้นคืออ า, ค 6, คอาตมาอายุครบ6กรอบครบหกสิบแปดนั่นคือท่านครบแปดสิบไอตัวสี่นั้นเจ้าเจ้าวาดวัดเขมาถึงเป็นอาจารย์อีกรูปหนึ่งครบแปดสิบสี่นะปีเนี้ยปีเนี้ยก็ตกลงว่าท่านก็คิดขึ้นมาว่าหกแปดสี่โยมตีเป็นหวยเลยก็ไอกายกรรมสามมีกรรม 4, มักรรมสี่มโนกรมสามน่ก็เหมือนกัน มาเคยไปเทศที่สระบุรีคนถูกหวยกันเยอะเลยพออีกวันหนึ่งมานิมนต์อีกอีกวันท่านนิมนต์อีกจนทุกวันไม่ยอมไปแล้วนะที่นั่นไม่ไหวคือว่าเวลาเทศเนี่ยตัวเลขมันมีเยอะนะะธรรมะอิทธิบาทสี่เพิ่มอาหารสี่อะไรแต่ใดแล้วโยอมาตีเป็นหวยเพถูกหวยกันมาห า, าเราบอกหวยอีกอเราเสียตั้งขึ้นตั้งร่องเลยอันนี้ก็เป็นเป็นหลักที่ พระเจ้าสอนให้ดูถึงเรื่องสามเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตแต่หมายความว่าไม่ใช่พูดสามเสมอไปนะแต่พูดต่ตัวสภาวธรรมคือแก่เจ็บแล้วก็ตายภาพคนแก่คนเจ็บคนตายนะถามพวกคนที่ที่ตายไปนะก็เคยเห็นไหมถามก่อนวัเทวทูตที่หนึ่งเคยเห็นไหมแกบอกว่าไม่เคยเห็น ต้องก็เปลี่ยนคาถามใหม่ว่าเคยเห็นคนแก่มากๆที่ไปไหนต้องคนลงประพองมีสี่โครงปรากฏภาพของคนแก่นะฮะมีเส้นเอ็นสะพรั่งไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวอะไรต่อไหนเคยเห็นไหมเขาบอเคยเห็นี่แล้วคิดยังไงนี่คิดยังไงก็คนแก่คิดยังไงเนี่บอเธอนี่ประมาทเธอไม่ได้น้อมเข้ามาหาตัวเธอไม่ได้คิดถึงตัวเพราะแม้เราก็จะต้องเป็นอย่างนี้เราต้องแก่อย่างนี้เราต้อง เจ็บอย่างนี้เราต้องตายอย่างนี้ไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้เพราะตรงนี้ท่านถือว่าเป็นเทวทูตเป็นผู้สื่อข่าวสารมาบอกข่าวสารให้ว่าเวล น, นี้ฉันเป็นอย่างนี้ต่อไปเธอก็เป็นอย่างนี้ให้เราสังเกตว่าแนวเหล่านี้ทรงวางไว้เกลื่อนไปหมดเลยนะฮะเพื่อได้ให้อนุสติตรงนี้อนุสติที่มรณสสติในคาถาบางสกุลเป็นเราเรียกบางสกุลเป็น จะเป็นการกระตุ้นเตือนแนวนี้คาถาก็บอกว่าอาจิรังวัตยงังกายโยร่างกายนี้ไม่นานหนอะปัทวิงอธิเสสติจะกกล้มลงเหนือแผ่นดินชุโดโอเปตวิญญาโนผู้วิญญาณออกจากร่างแล้วนิรัตทังวะกะลิงกะรังก็เหมือนท่อนไมนะ้เหมือนท่อนไม้ที่หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ใหญ่ตัวยังไงสัะเรลยจะผักขาเฉยเลยนะตัวอ้วนหน่อยจะผักขาใส่โกรธ ใหญ่มหาศาลนั่นนะะแต่ว่าผลผลตายมันก็ไม่มีอะไรก็เล็กกว่าโลงด้วยโลงยังใหญ่กว่าเยอะแล้วก็คนที่จัดการกับเราปรากฏว่าสับเปลเนียนะสับเปยเมื่อก่อนนะี่ยสับเปรยต้องกราบเลยพอเราตายมันจะผักขาเฉเลยผักขาบางทีก็ใส่ไม่ได้มันช้ำแหละซะด้วย แล้วบาทีตั ว, ว, วอ้วนๆใหญ่ๆนะฮะไปข้าโกดมันข้าวไม่ได้นะมันต้องเลาะตรงเนี้เอาตรงนี้ยตัดขาขึ้นมาอยู่ตั้งเตียงกับหัวเลยคนบางคนเนี่ยก็ไม่ยอมไม่ยอมข้าวโกดนะเอาลงไปไว้าล้างโกดหัวจะไปนอนถูกดัดขาอยู่ในโกดก็ น, นี้ก็คือก็คือชีวิตเพราะงั้นตรงนี้ถ้าหากว่าถูกพัญญายมถามนะฮะถูกประญายยมถามแล้วเนี่ย ไม่ไม่ไม่เคยคิดไม่เคยรับรู้ถึงความจริงของชีวิตส่วนนี้ด้านก็ถือว่าเป็นคนดิบประมาทแล้วก็ถูกลงทันถูกลงโทษแล้วก็เล่าเรื่องเหล่านี้พิจิตพิสดาร น, นะฮะเป็นเรื่องที่น่าคิดคือตั้งปัญหาถามเรื่อยๆถามถามดูแล้วก็วินิจฉัยชีพนายเรียบานมีจริงไหมโยมบนรทุฒมีจริงไ้มนรกสวรรค์มีจริงไหมก็ตั้งคําถามขึ้นมาเรื่อยๆแต่ละข้อเนี่ยฮะท่านจะอธิบายไปเรื่อยๆแเรื่องมันก็ยาวนะครับ เราตั้งก็เตือนให้สติว่าคนเราเมื่อถูกโยมมาทูดเตือนนะฮะมาความเราเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายต้องมีอนุสติต้องได้ความคิดต้องได้ความรู้สึกความรู้สึกจนถึงสังคมไทยเรามองเหมือนก็ครูเราจะมีหลักปฏิบัติอย่างหนึง่งว่าแม้เด็กๆตายนะฮะผู้ใหญ่ก็ไหไหว้ศพเพราะจริงๆเขาแก่กว่าเรา นะเขาอาอุสกว่าเราคือเขาตายก่อนเรานะฮะตรงนั้นเขาเขาเขาได้จริงเขาเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเราเพระะนันศพศพเด็กเราก็ไหว้ไหว่ในฐานะเขาเป็นครูเป็ น, เ ป, นเป็นเทวทูตเป็นเทวทูตมาสอนให้วันเนี้ฉันอายุขนาดนี้นะฉันตายนะคุณนี่แก่กว่าฉันดีกเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องตายเหมือนกันที่ทรงสอนให้เราคิดสี่คำนะฮนะสามคำ เอวังธรรมโมธรรมชาติของชีวิตมันเป็นอย่างนี้เอวังภาวีสรรภาวะของสิ่ ง, งหลางนั้นเป็นอย่างวีเอวังอนัตติโตไม่มีใครจะล่วงพ้นหรือผ่านพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้บางีก็สงช้คำสั้นๆตัตตาคือมันเป็นอย่างที่มันเป็นเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับแม้แต่พระนามของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าตถาคต มาอย่างไงก็ไปอย่างนั้นนะฮะแปลว่ามาอย่างไงก็ไปอย่างนั้นเป็นเป็นเป็นคำที่แปลกมากเป็นคําที่น่าคิดมากนะฮะคำนี้มามาคิดมานานที่แปลกแล้วก็ที่ทรงอธิบายเองแม่อธิบายไว้นะฮะแต่พระาตถาจารย์ท่านอธิบายไว้แปดในายาะเดียกัน ว, ว่าจะให้หมายความมันอย่างไงแต่แปลในรูปศรรพัพท์แล้วก็มาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นหมายความว่าฉันมาอย่างที่ฉันมาฉันก็ไปอย่างที่ฉันไป มันบอกในตัวนะฮะบอกในตัวแค่แคกับชีวิตเราเนี่ยชีวิตเราว่าเราก็มาอย่างที่คนอื่นเข้ามาเราเกิดเราไปเราก็ไหลเข้าสู่กระแสแก่เจ็บตายระวางแก่กระตายนะฮะระวังเกิดกระตายนี่ไม่รู้จุไม่รู้มันความตายจะปรากฏตรงไหนแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราก็เจอกับกนะเจ็บกับกับแก่นะฮะเจอแก่กับเจ็บกระแก่อยู่ตลอดระยะเวลาแล้วที่จริงตายเราก็ตายอยู่ทุกขณะ พลเทวทูตคือผู้ที่นำข่าวสารเหล่านี้ที่จริงก็ปรากฏอยู่ทุกผลรกแข่งแนวตรงนี้นอกจากจะมองในแนวของทุกขสัจหมายความว่ามองว่าความแก่เป็นธรรมดาเจ็บเป็นธรรมดาตายเป็นธรรมดาเป็นการมองแบบทุกขสัจเพื่อเห็นความจริงของชีวิตว่าสังขารและธรรมทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันขึ้น แล้วก็ดำรงอยู่ก็อาศัยเหตุปัจจัยได้จึงดำรงอยู่ได้พอปัจจัยย่อยสลายมันก็ย่อยสลายมันก็อยู่ไม่ได้ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้สอนไม่ได้สอนเฉพาะตรงนี้สอนแบบมารกษัตรนะ์สอนแบบมารกษัตร์หลักปฏิบัติที่ให้มีอัปจัจนวมัยต่คนแก่เพราะคนแ ก, เนนะนแกน่เป็นเทวทูตนะฮะคนแก่เนี่ยเป็นเทวทูต เป็นเทวดานะฮะเป็นเทวดาหรือว่าเป็นผู้สื่อข่าวสารที่เป็นเสดก็สอนในแนวอปเจนธรรมคือการประพฤติอ่อนน้อมให้ความเนะคารพนับถือแก่คนเท่าคนแก่เป็นการลดมานะลดความกระด้างลดความเห็นแก่ตัวแล้วก็มีการผ่อนปลน ซึ่งหมายความมาเป็นคําสอนที่ผู้น้อยจะต้องมีตัวผู้ใหญ่นะคนอายุน้อยจะต้องมีตัวคนอายุมากแต่ว่าคนนี้อายุมากจริงๆไม่ใช่ว่าสอนให้คนอื่นต้องเอา อ, อกกับใจเรื่อยนึกฉันจะโกรธก็คนอื่นไม่มีสิทธิ์โกรธมันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นเราก็สร้างบาปเห็นไหมเราจะสร้างบาปติดตัวติดใจพระเจ้าจึงสอนให้คนแก่มีพรหมคนแก่ต้องเป็นพรหม นะฮะมีพรหมวิหารในภายในใจไม่ใช่ว่าเออฉันฉนคนแก่ฉันมีสิทธิ์อภิสิทธิธ์พิเศษนึกจะโกรธใครก็ได้นึกด่าใครก็ได้เป็นปาประมุติไม่ใช่นะฮะปาปะมุตไม่ใช่เลยเพราะจริงๆด่าใครก็บาปด่าใครก็บาปบาปมันก็ติดใจไม่ใช่คนแก่จะไม่บาปนะไม่ใช่มีเป็นอภิสิทธิธ์ธจะด่าได้แต่ว่าเป็นเรื่องผู้น้อยจะต้องมีความรู้สึกต่อผู้ใหญ่อย่างนั้น ไม่ใชให้ผู้ใหญ่ไปคิดอย่างนั้นว่าฉันเออฉันเป็นนักพิสิ์นะฉันสามารถจะด่าเธอมาไดก็ไดนะ้อั น, นี้คือคือคือไม่ได้สอนอย่างนั้นแต่สอนให้คนแก่เป็นพรหมมีเมตตาต่อคนทั้งหลายจะเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่จะเป็นเด็กเป็นเล็กกระไรกระไรตามเราก็มีเมตตาต่อเขาเอาเมตตาขนาดไหนเมตตาอย่ากโกรธ ก, กันแล้วกันนะอย่าถึงก็โกรธเพราะมันเป็นการบ่อนทําลายสุขภาพจิต เด็คนที่ประสบความเดือดร้อนก็ให้มีกรุณาการุณาขนาดไหนกรุณาจะถึงกับวิหิงสาแล้วแก่อย่าถึงกับคิดเบียดเบียนแล้วกันเพราะว่ามันเสียฐานของพรหมนะฮะเราจะเห็นว่าอะไรละ่ะประกาพรหมนี่ก็กว่าปากกาพรหมที่เสียสูนยประจานลูกสาวอยู่ไม่รู้รกี่พันปีมาแล้วเนี่ยต้องแหดแห่หัวอยู่ทุกวันเนี่ยตัวการใหญ่ของประกาพรหมก็คือลิศยาถ้ามหาพรหมเนี่ย ริษยาใครริษยาธรรมบาลกุ ม, มารกลัวว่าคนจะนับถือธรรมบาลกุ ม, มารมากกว่าตัวคก็วางแผนจะฆ่าเพื่อโดยถามปัญหาที่เด็กเจ็ขวบตอบไม่ไหวต้องหนีนะฮะแต่ในสุดเด็กก็ตอบได้แต่ตัวเองก็ถูกตัดหัวมันผลจากริษยาทั้งหมดเนี่ยฮะท่านทั้งหลายจีนว่าตำนานสงการก็คือตานานแห่งความริษยา ตรงไหนหะท้าหมหาพรหมเสียสูญย์เสียธรรมะแทนที่จะมุติตาชื่นชมเออเด็กได้ขึ้นมาช่วยกันนะมาแนะนำมาเชิญชวนเชักชว น, ชว น, ชวนคนอื่นให้เข้ามาคล้ายๆลกับพระเราเนี่นะฮะใครเทศเด่นดังขึ้นมาเราต้องเชียร์เลยนะเออดีได้มาช่วยกันมันขาดคนเลยศาสต์านาที่ขาดคนให้กันนะมีอะไรให้ช่วยเราก็ช่วยกันมันไม่ใช่ไปทำลายกัน แต่เราจะต้องจะต้องสนับสนุนเขาให้ช่วยกันทํางานเพราะจริงๆเนี่ยสมมุติว่าเราเทศเก่งยังไงเราก็เทศหมดทั้งประเทศไม่ได้แล้วก็ไม่จะว่าคนจะนับถือเราหมดทั้งประเทศเพราะฉนั้นแต่ละคนเนี่ยมีความเหมาะควา ม, ความควรที่จะทํางานในจุดเดียวนะเราก็มุติตากับเขาใจโดยไม่ริษยาผู้ใหญ่ริษยาก็คือเท้าหาพรมในตํานานเท้าสงการนั่นแหละ ตัวเท้าโซกรานั่นแหละเ็าคือผู้ใหญ่ที่ที่เสียสุดแล้วมันเป็นตาบาปไปตาบาปลูกสาวต้องแห่หัวอยู่ทุกปีตัวเองก็ตายแล้วนะแต่สร้างตาบาปเอาไว้ให้ลูกสาวแห่หัวประจานตัวเองอยู่ทุกปีเลนะท้าวหมาพรมคือสังเกตนะเรื่องใหญ่ ใ, ญในโลกกลายเป็นเรื่องริษยารามเกียรติก็มาจากริษยาสงครามโลกก็มาจากริษยา อันตรายทั้งหลายได้เกิดขึ้นแก่ผู้จ้าเจ้านางกินาะมานาวิกาและธรรมาจริสยาทั้งนั้นอระติโลกนานสิกาความลิสยามันทำโลกให้พี น, นาเพราะันผู้ใหญ่จึงสอนให้มีมสมตทรงสอนให้มีสมและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือต้องมีอุเบกขาได้อุเบกขานั้นคือใจไม่ฟูไม่ฟุบ น, นึกออกไหมฮะเรื่องรามเกียรตทามารีวราศว่าความ ถ้ามารีวราต์ทำไมจึงรักษาฐานตัวเองได้ก่อนหน้านี้ก่อนปอบุญจินนณิเราพูดถึงเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์จริตยุติธรรมนะเราพูดถึงท่ามารีวราชพอดีหนังปอบุญจินมันเข้ามาเลยก็พูดเรื่องปอบุญจิณิไปแต่เมื่อก่อนเราพูดท่ามาริวราชในเรื่องรามเกียรตชุดตรงเนี้ยมันมีประโยคหนึ่งที่ท่ามารีวราชพูดแต่ตัวกูผู้มีอเบกขายานจึงสังหารจะได้ไม่ใหญ่ดีอันนี้คือตัวสําคัญที่สุด มันเกิดสับสนมากนะทศกัณฐ์หลานจริงนะพระรามนั้นเป็นหลานท้าวอัจฉบาย์ทึ่งเป็นเพื่อนกับท่านอีกทีหนึ่งนั่นสีดาไม่รู้เป็นใครกันแน่ตอนนั้นท่านเองก็ยังไม่แน่นะแต่หมายความมาถ้าเป็นเมียทศกัณฐ์ก็หลานสบายถ้าเป็นเมียรพระรามก็หลานสบายมันเกิดกรณีนนพิพาทที่แรกและทําไมท่านจึงตั้งตั้งหลักได้เพราะอาศัยอุเบกขาอุเบกขาก็คือ เรื่องกรรมก็ปล่อยตามกระแสกรรมเราไม่เ้าเราไม่กระโจนเข้าสู่กระแสกรรมตรงนั้นด้วยเพราะเราถ้าถ้ากระโจนก็ไปเราก็ ก, กลายเป็นฝักฝ่ายนะไปฝ่ายตรงใดตรงหนึ่งเนี่ยเราก็ไหลไปตามกระบวนการนี้กรมมกรมวัสงฆ์อีกธรรมดาอย่าดูที่รถสวยนั้นคือหลักของอุเบกขาคือไม่ให้ใจแกว่งเป็นอคติโดยอำนาจความรักความชังก็กลายเป็นพรหมที่มีอยู่สี่หน้าเห็นไหมครัสอนในแนวมัคคุเทศก์ ก็เห็นเทวทูตเราเป็นเทวทูตแต่เราต้องเป็นพรหมเราต้องเป็นเทวทนะูต ด, ด้วยใจเราด้วยนะเป็นเทวะเป็นผู้ประเสริฐด้วยใจเราด้วยก็คือใจที่เป็นพรหมใจที่ไม่มีอาฆาตใจใจที่ไม่มีความอาฆาตพยาบาทใจที่ไม่มีความเบียดเบียนะใจใจที่ไม่มีความริษยาใจที่ไม่ไม่ไมาแกว้งไม่กูไม่ฟุบนะเกินไปก็ก็ไอ ไม่เลยคยงจะยากนิดหน่อยนะแต่ว่าทำยังไงอย่าให้มันถูกบังคับถูกบีบคั้นด้วยแรงของกิเลสมากทักเพราะแนวตรงนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเราก็มาประรกถึงชีวิตที่ก็แก่นะฮะก็ไม่รู้จะว่ายังไงเพื่อนคนหนึ่งเขาเกิดปีวอกนะฮะแกกว่าประมาสองสามปีแกไปตรวจข้อสอบ เป็นอาจารย์ที่รามนะฮะเป็นรองศาสตราจาร ย, ย์แล้วไปถามนักศึกษาคนหนึ่งว่าเป็นไงเขาสอบยากไหมเด็กมันบอกว่ายากจังลุงเพรายากจังลุงก็กโกรธเลยเรียกแก่ลุงโกรธกลับเลยกลับเลยเลิกตัวธเลยโกรธว่าไปหาว่าแก่ แ, กแล้วเด่ก็แก่จริงนะฮะเด็กนี่ก็มองถูกมากๆเลยนะถ้าเด็กเรียกเลยเชื่อเถอิดว่าเราแก่อย่างนั้นจริงถ้าเด็กเรียกต า, าเราแสดงเราแก่มากๆจริงๆ เด็กจมองคนแก่มองได้ดีมากๆเขเรียกแล้วถูกตามนั้นแต่ว่าเด็กสมัยนี้ยากนิดหน่อยอัตอมาบางทีเด็กอย่างเรียกลุงพี่อยู่นะครับมากไปหน่อยเราก็ม a อ l กันนะมาเรียกลุงพี่นี่นะ <c oughs> ก็มันไม่น่าจะเรียกอย่างนั้นนะนะแต่เด็กสมัยนี้ค่อนข้างแปลกคือชอบเรียกพี่คุณชายกิเล่าว่าหลานชายของท่านเรียกพี่ปู่พี่ปู่ คือฐานหน้าของคุณชายนั้นเป็นปู่แต่เด็กมันแทนเรียกจะเรียกคุณปู่เฉยมันเรียกพี่ปู่ไอตัวนี้ค่อนข้างยุ่งนิดหน่อยไม่รู้จะให้หมายให้ให้หมายความว่ายังไงแต่สรุปว่าแนวของสภาวธรรมนะฮะแก่เจ็บตายแต่ที่จริงเทวทูตมันมีมันมีอีกสองนะฮะมีอีกสองเทวทูตห้าในเรื่องพระมาลายแล้วก็ในพระสูตรนี้ที่ ที่จริงก็เคยบรรยายไว้ในเทวทูตตัวนี้ก็พูดถึงคนผู้หญิงมีคันหรือเด็กเล็กนะฮะ ก, ก็แล้วแต่ผู้หญิงที่ท้องแก่หรือว่าเด็กเล็กๆที่นอนในเบาะนี่คือเทวทูตอย่างหนึ่งเป็นการแสดงถึงภาวะสัจจะเกิดแก่ตายนะฮะเกิดแก่ตายไอตัวภาวะสั จ, จจะจริงๆมั น, ม, น, ม, นมันมันมีอยู่สี่ตัวมันสมนั่นเองนะเกิดแก่ตายเจ็บเขาไม่เอาเหรอกที่จริงเจ็บมันเป็นทุกจอดมันมันเรียกเป็นปรกินนะกรับทุกเป็นทุกจอ เพียงแต่ว่ามันเกิดเยอะเลอเกิดแก่เนี่ยมันค่อนข้างชัดมากๆไม่ใช่เจ็บเนี่ยมันค่อนข้างชัดมากๆเลยแก่ยังไม่ค่อยชัดนะฮะแก่ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะถ้าถ้าเรามองกันจริงๆหรือว่าเราแก่ด้วยไม่รู้นะฮะคือมองสมัยเราเป็นเด็กว่าคนหกสิบมันแก่จังเลยนะวันก่อนถามถามนะ้าคนหนึ่งถามถึงพ่อของแก่ถึงเป็นตาจะมานะถามว่าตาตอนตายอยู่เท่าไหร่ เขาบอกห้าสิบแปด้วยมันอ่อนกว่าเราเดี่ยวนี้นะเอ๊ะทำไมเราดูแก่จังดูแก่จังกับตากวคนนี้มากลัวไปเห็นหลบทันทีเลยดูแก่จังดูแก่หน้าท่าทางน้ากลัวเรากลัวไปเลยนะะแต่ว่าก็ถามใบตัมมาท่านท่านอายุเพียงห้าสิบแปดท่านเองเราตอนนี้เราหกสิบเราก็ไม่รู้สึกว่าเราแก่ขนาดนั้นก็มันอาจจะเป็นเรื่องยาดีขึ้นแล้วก็เขามองในโอกาสต่อไปนะว่าอีกสิบปีนะฮะสิบไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ถึงสิปีดิ คนแก่จะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวคือหมายความว่าวต่อไปเมืองไทยอีกประมาณเกือเกือบสิปีนี่คนแก่จะมีถึงสิบสองล้านในขณะที่เด็กข้างล่างเกิดน้อยเนี่ยฮะมันกสังคมเกิดบานข้างปลายซึ่งถือเป็นอันตรายมากนะมั น, เ ป, นเป็นเหตุนะฮะเป็นรูปเหตุที่สังคมที่มันคงมนไม่เป็นรูปเจ ด, ดีมันไม่ใช่รูปเหตุเหตุมันโค่นง่ายเพราะฉั้นถ้าเกิดเป็นบานอยู่ข้างบนเนี่ยคนแก่ไม่ได้ทํางานนี่ยแต่ต้องกินต้องใช้ต้องอยู่ต้องอะไรต่าง ก็ทําให้กลายเป็นภาระกลายเป็นภาระสังคมมันก็มีปัญหาเหมือนกันนีมีปัญหาเหมือนกันในศาสารณสุขดีมันก็มีมีปัญหาเหมือนกันอายุตั้งแปดเก้าสิบไม่ยอมตายเนี่ยก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้จะไม่ไหวเหมือนกันนั่นก็เรียกว่าถ้าอยู่ก็ให้อยู่กว่าทำงานได้นะอย่าเป็นภาระเด็คนอื่นต้องช่วยหมดแล้วก็ก็ไม่น่าอยู่เท่าไหร่เราก็มองได้ทั้งสองทางคือทางที่จะกระตุ้นเตือนไม่ให้ประมาท แล้วก็รีบเร่งทําความดีสรุปว่ามองยังไงก็ตามแนวพูดก็คือตื่นแล้วก็ใช้การเวลาที่กำลังแก่นะฮะกำลังจะตายตักตวงคุณธรรมความดีแล้วก็มองท่านเหล่านี้เป็นเทวทูตคนติดคุกติดตารางถูกจองจำโซ่ตวนคือคาอะไรต่าง ๆ, ๆก็ถือว่าเป็นเทวทูตที่สะท้อนในสะท้อนกรรม สะท้กรรมมันก็เหมือนกับนรกนะฮะมันก็เหมือนกับนรกเหมือนกับเปรตมันเป็นการสะท้อนกรรมแต่ว่านรกเปรตเราไม่เห็นไอ้นี่ตรงนี้เราก็เห็นว่าถ้าเขาไม่ทําอย่างนี้เขาก็ไม่เป็นอย่างนี้ที่เขาเป็นอย่างนี้เพราะเขาทาอย่างนี้เพราะงั้นถ้าเราไม่ต้องการเป็นอย่างนี้เราอย่าทำอย่างนั้นมันก็กลายเป็นครูสอนที่ให้งดเว้นความชั่วให้ประพฤติปฏิบัติความดีเพราะงั้นตรงนี้ก็ถือว่าผู้สื่อข่าวสารที่ประเสริฐผู้หญิงท้องแก่หรือว่า เด็กที่คลอดใหม่ๆก็แล้วแต่ก็จะเอานะฮะจะเอ า, เอาท้องแก่ก็ได้เอ า, เอา เ, อาเอาเด็กคลอดเด็กๆก็ได้ก็ถือว่าเท็นวัตถุที่อาศัยความเกิดแล้วก็กลายเป็นผู้ที่เกิดเราก็เรียกว่าประชานะแปลว่าหมูสัตว์ชนะหรือชนเนี่ยฮะแปลว่าผู้ที่เกิดมาแล้วก็ต่อไปก็คือแก่คือเจ็บคือนักโทษนะฮะนักโทษแล้วก็ตาย รวมแล้วก็เป็นเทวทูต5แต่ว่าพระสูตรนี้ทรงแสดงเทวทูต3ซึ่งในการคิดในการกระตุ้นเตือนสร้างสติก็เป็นไปในแนวเดียวกันนี่ก็เป็นข้อความโดยสรุปนะฮะในเนื้อหาของเทวทูตสูตรในจิกะในบาตังกุฏรนิกายในที่สุดนี้ขออนุภาพเป็นคุณพระศรีรัตนไกรเกลียวพระพุทธเจ้าประธรริฐส์ ได้ปดโปดดลบันดาลพิบาลรักษาให้ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายประสบความสุขกายสบายใจพระเจากทุกโศขโรคภัยมีความก้าวหน้าความสําเร็จในชีวิตในการงานในการปฏิบัติธรรมอันพระภูมีพระภาคเจ้าทรงประกาศแสดงไว้ดีแล้วโดยทั่วกันและขอให้เจริญด้วยเจตุรพิสพนทั้งสี่ประการเยื่อยุบรนะสุขภะพพละอีกทั้งปฏิภาณธรรมสารสมบัติโดยทั่วกันทุกท่านทืทนท่น